บุ๊กทูแปดสิบสี่อชูอดีตการสี่มนุลยชาสชูรอ่านชิทตาดิฉันอ่านแล้ว อย่า прочитав ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วอย่า прочитав целый роман เข้าใจรู้สุมิดิฉันเข้าใจแล้วอย่าสู้สุมิฟดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว зрозумів цілий Відповідати ฉันแล้สูมีทั้งหมด Я не знаю Я це не з н а ่ดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วย пишу це ซ н а п и с а ซ це เดิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้วย це чую ยูยาเซดิฉันกำลังไปรับ ดิฉันได้ไปรับแล้วดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้ว ดิฉันคาดไว้ว่าดิฉันได้คาดไว้แล้วว่าดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแลว้วดิฉันรู้ดิฉันรู้แลว้ว Я знаю це. Я знав це.